บูชาบุคคลผู้ควรบูชาเมื่อเราเลิกคบคนผ่านคบแต่บัณฑิตเรามาสร้างหลักใจบูชาจะปูชนียานังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาคนที่ควรบูชาอันดับแรกคือบิดามารดาเมื่อเรามีความเคารพ บ, บูชาบิดามารดาของเรามันเป็นหลักใจ คล้ายๆกับว่าเราอยู่ไม่ห่างจากพ่อแม่ไม่ห่างจากบิดามารดาบิดามารดาย่อมคอยคุ้มครองป้องกันบุตรธิดาของตนไม่ให้เกิดความเสียหายหรือประพฤติไม่ดีไม่งามเมื่อเราอยู่ใกล้ท่านเราก็ได้ที่พึ่งได้หลักใจเช่นเดียวกันกับลูกช้างน้อยอยู่ในป่าลูกช้างน้อยตัวมันไม่ห่างพ่อห่างแม่มันมันก็ไม่มีทางที่จะเกิดอันตรายได้ ถ้ามันเผลอห่างพ่อห่างแม่มันไปพอมันรู้ว่าจะเกิดอันตรายมันร้องขึ้นพ่อแม่มันรีบวิ่งไปช่วยลูกคนเรานี่ก็เหมือนกันบิดามารดานอกจากจะปกป้องคุ้มครองบุตรไม่ให้เกิดอันตรายหรือไม่ให้ตกไปในทางที่ไม่ดีไม่งามแล้วท่านยังช่วยเลี้ยงดูให้วิชาความรู้ให้ซับสมบัติเพราะอาศัยท่านมีคุณงามความดีกับบุตรธิดาอย่างที่กล่าวมานี้ การประทุดสร้ายต่อบิดามารดาอย่างน้อยแม้แต่เพียงทําให้ท่านเจ็บช้าน้ําใจก็ถือว่าเป็นบาปเป็นอนันตริยกรรมการฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นอนันตริยกรรมจะฆ่าด้วยสัตราอาวุธฆ่าด้วยมือเปล่าเปล่าฆ่าด้วยการทรมานจิตใจให้ท่านได้รับความทุกข์เศร้าทุกโศกเสียอกเสียใจเพราะความประพฤติของเราบางทีอาจจะตรอมใจตายก็ถือว่าเป็นการฆ่าอันนี้เป็นสิ่งที่ควรระมัดระวัง การที่เราจะเอาดีกับบิดามารดามาตาปิตุอุปทานังอุปถากเลี้ยงดูบิดามารดาเอตัมมังคลมุตตัมมังเป็นมงคลอันสูงสุดมาตาเปติพลังชันตุงการเลี้ยงดูบิดามารดาก็ดีกุเลเชิดถาปัญจายนังการเคารพนอบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในวงตระกูลก็ดีอันนี้เป็นคุณธรรมที่ทาให้คนเป็นยอดคนเป็นคุณธรรมที่ทาให้คนเป็นพระอินทร์อิน แปลว่าจอมหรือยอดเมื่อผู้มาประพฤติดังที่กล่าวมาได้ชื่อว่าเป็นยอดคนเป็นจอมคนเป็นพระอินทั้งๆที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าหากว่าดำรงยึดมั่นอยู่ในข้อปฏิบัติอันนี้ชั่วชีวิตในเมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็ไปเกิดเป็นพระอินบนสูงสวรรค์อันนี้คืออา น, นิสงการเลี้ยงดูบิดามารดาก็ดี การเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในวงสกุลก็ดีเป็นการเชิดชู ว, วงสกุลเป็นการรักษาวงสกุลไว้มีให้เสื่อมเพราะเมื่อเรามีความเคารพบูชาบิดามารดาปู่ย่าตายายของเราเราก็พร้อมที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบิดามารดาปู่ย่าตายายของเราเช่นท่านเป็นห่วงวงสกุลกลัวว่าวงสกุลจะเสื่อมเราก็ประพฤติตนให้เป็นผู้สมควรแก่การรับทรัพย์มรดก ในเมื่อได้ทรัพยบมรดกจากบิดามารดาเรารักษาเอาไว้ให้คงที่หรือสร้างเสริมให้เจริญยิ่งขึ้นวงสกุลของเราก็มีความเจริญรุ่งเรืองไม่เคยมีลูกต่างสกุลไปทําลายวงสกุลของคนอื่นให้เสื่อมมีแต่ลูกหลานในวงสกุลของเรานั่นแหละจะเป็นผู้ทํำลายวงสกุลของเรา